พระธรรมเทศนาแผ่นที่55ลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19ตุลาคม2556มีชื่อเรื่องว่าร่างกายตายแต่ใจยังอยู่วันนี้เป็นวันออกพรรษา ฟันมหาปวรณาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็ได้กราบคารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผ่านไปแล้วแต่คณะทศไทายญาติโยมก็ได้กราบคารวะครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่จำพรรษาด้วยกันพวกเราท่านทั้งหลายการอยู่ด้วยกันก็บางครั้งอาจจะมีการประมาทพลาดพั้ง ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคือแนวความคิดกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์ในวัดของหลวงพ่อหรือว่าตลอดถึงหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าพวกเราท่านทั้งหลายก็คงได้ประมาทพลาดพังด้วยกายด้วยวาจาด้วยกายจะก ร, รวจีกรรมมโนกรรมถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายได้ประมาทพลาดพัง ครูบาจารย์นักแต่หลวงพอ่อลงไปจนถึงคณะสงฆ์พระสงฆ์ทุกรูปขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายโอโหสิหรือตลอดหลวงพ่อกเอาโอโหสิให้กับคณะศรัท ธ, ธาญาติโยมเขาขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคณะศรัท ธ, ธาญาติโยมก็เช่นเดียวกันท้าว่าประมาทครูบาจารย์พระสงฆ์ได้กระทําด้วยกายจก ร, รวจัจจีกรรมมโนกรรมก็ขอให้พวกเราโอโหสิให้ คณะสงฆ์เช่นเดียวกันขอให้พวกเราเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิงใดอยู่ในกรอบศีลและธรรมขอให้สมหวังดังปราถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดอาหังขา ม, ามิตุมเหิปิเมขา ม, ามิตับบังเอวังโฮตุเอวังโฮตุโตยจัปุเุเบปมจชิตตวาปัสโซนะปะมะสติ โซมังโลกังปะภาเสติอภามมตโตวจันทิมาอภิวาทนาศีลิสานิจังบุษธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัทานติอายุวันโนสุขังภาลางังวันนี้เป็นวันภาวณาออกพรรษาคณะสัตยา จ, จมรู้สึกว่าอบอุน่น การปฏิบัติธรรมของพวกเราที่ผ่านมาในพรรษานี้พั5สออวันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าเป็นนักมวยฮนะเขาก็ตีและคังกันแหะแป้งไปว่าหมดยกฮะปี 2,556 นหี่หมดยกละพรรษา3เดือนแต่ถ้าจากนั้นก็คงจะเป็นซกนอกเวทีซกซ้อมกัน แต่ว่าเอาจริงจังคือตั้งใจสมเดือนให้ายว่าเราขันกิเลสของเราเข้าเสนอเข้าหลักเพื่อประหารกิเลสสิ่งที่มันชั่วช้าเสียหายเราก็พยายามขันใส่สมเดือนให้มันอยู่ถ้าจากนั้นไปแล้วก็ขันไม่อยู่ทีนี้เพราะว่ามันวงกว้างไป พนันในสามเดือนข้าไปเจ้าจะงดปูรีข้าไปเจ้าจะงดเหล้าข้าไปเจ้าจะงดการพนันข้าไปเจ้าจะไหวพระทุกวันข้าไปเจ้าจะใสบาดข้าไปเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดไตรมาสสามเดือนข้าไปเจ้าจะรักษาศีลห้าทุกวันพระข้าไปเจ้าจะรักษาศีลโบสถทุกวันพระข้าจะว่าข้าไปเจ้าจะไหวพระทุกเช้าทุกเย็นในพรรษาสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ได้ตั้งใจตั้งจิตอธิษฐาน ไว้ในจิตในใจของพวกเราแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วให้พวกเราทบทวนดูว่าการที่พวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานเรืว่าตั้งจิตตั้งใจมั่นที่จะสร้างคุณงามความดีนั้นเป็นไงขาดตกปกพ่องไหมอยากจะให้พวกเราทบทวนถ้าว่าถ้ามันขาดตกปกพ่องก็เอาพยายามชดเชยไปอีกกี่วันกี่เดือน ให้เต็มโมเลกุลเหมือนกับเสื้อผ้าเราที่มันขาดมันเป็นรูมันขาดเราก็ต้องปะเย็บชุนให้มันอยู่ในสภาพนี้คงเหมือนกันเมื่อพวกเราตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็จะให้มันขาดตกปกพ้องถ้ามันขาดตกปกพ้องเราก็ไม่ภาคภูมิใจไม่ใช่หรอถ้าเราทําอะไรมันขาดตกปกพ้องเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ อย่าให้ขาดตกปกพ่องใครรักษาสินมันขาดในพรรษาพรรษาสินเอ้าข้าพเจ้าจะรักษาสินเพิ่มอีกเพิเพิะแถมสองอีต่างหากทำไมมันขาดวะนี่แหละจากนั้นก็ให้ประกอบคุณงามความดีอย่างอื่นนั่งภาวนาเดิจงกรมแต่ถึงยังไงออกพรรษาก็จะให้ออกจากคุณงามความดีนะบางคนพอออกพรรษาแล้วก็เบิกถอยหลังกินเหล้า เข้าอีกตามจริงมันไม่ถูกหรอกถ้าห่างไปแล้วก็ควรจะห่างไปเลยดนะีที่สุดจะไปประกอบธรรไม้สิ่งที่มันไม่ดีอยู่แล้วก่อนที่เราจะงดก่นเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดีเราจรึงได้ตั้งจิตอธิษฐานงดพองดเสร็จแล้วนะเราจะไปทันหลังเข้าไปอีกเหรอเราก็ต้องใช้ปัญญาเน่ยนะนะใช้ความคิดใช้สติใช้ปัญญา ใช้ความรอบคอบของพวกเราทันทั้งหลายลนะั่นแะแต่ถึงยังไง อ, อย่างพวกเราอย่างหลวงพ่อนะ่ปีนี้ตละลพรรษาสี่รรบเก้าพันาีเ า, 49, าปีนีแล้วก็ปีหน้าพรรษาห0สบมันไม่ใช่แก่แต่เฉพาะพรรษานะชีวิตของพวกเรากแก่ไปเรื่อยหลวงพ่อรู้สึกเลยนะ แกขนาดนีนะ้การเดินการจะไปที่ไหนไหนลงจากก้าวลงไปในที่ต่ําเลยจะข้ามก้าวไปที่อื่นหลวงพ่อต้องระมัดระวังอย่างมากกลัวเข่าจะอ่อนมันถลําลงไปนี่แหละอันนี้ก็คือความแก่ของร่างกายมันไม่ใช่แต่ได้ปัญษาเฉยๆนะร่างกายของเรานะมันแก่ไปเรื่อยเพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตของพวกเรา บางคนแก่ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จักประมาณความแก่ของตัวเองเพื่อจะฟิตร่างกายออกกำลังกายให้เข้มแข็งให้มันคืนสภาพปกติมันไม่ได้หรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะร่างกายเหมือนกับรถน่นะทานรถเราใช้ไปหลา ย, ลายปีเออวิ่งไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งหลวมใช้ไปทนานเท่าไหร่เพราะมันติดเครื่องรถขนาดรถมันยังดับเครื่องไว้นะ เวลาจอดมันก็ดับเครื่องไว้เวลามาถึงที่เห็นไหมเราก็จอดเครื่องไว้เวลาเราจะไปเราจึงค่อยสตาร์ทเครื่องเครื่องมันจะค่อยทํางานอันนี้เราตั้งแต่เราเกิดมาเนะีเราเคยดับไหมหายใจตั้งแต่เราวันเกิดไม่เคยหยุดกลางคืนเรานอนหลับมันก็ยังหายใจอยู่ยิ่งหายใจแรงอีกต่างหาก เ, เวลาเราหลับนั่นแหละแปลว่า ร่างกายของเราไม่เคยดับเครื่องเลยเจ็ดสิบแปีอย่างลุงพ่อเนี่ยหกปีไม่เคยดับเครื่องเลยตั้งแต่วันเกิดมาเพราะฉะนั้นเครื่องไม่ให้มันหลวมก็อยู่ไม่ได้แต่ขนาดรถเนี่ยก็ยังน็อตหลวมฟันเฟืองหลวมอะไรต่อเมื่อไรส้ำรดทุดโจมแต่ถึงยังไงเวลาเราก็ต้องประครับประคองต้องสตาร์ทเครื่องเอาไว้ เพื่อรักษาเครื่องยนต์เพื่อรักษารถเอาไว้ถ้ า, ากว่าเราไม่สตาร์ทเครื่องเอาไว้เครื่องว่นยิ่งเกิดสนิมอีกต่อไปอีกใช้ไม่ได้อีกนี่ก็เหมือนกันพวกเราที่ออกกาลังกายก็คล้ายๆกับพอประมาณถ้าเราออกมากเกินไปก็ทำให้เครื่องพังได้ไง่ายๆอีกเหมือนกันวิ่งหนอสิแก่ๆ่างนี่วิ่งเกินประมาณน่ะเผ่อๆกันน่ะหัวใจวาตายได้ไง่ายๆอีกเหมือนกัน แต่ถ้าว่าไม่ออกกําลังกายไม่ขยับกระเยื่นเลยเขี้เกียจให้เขาหามไปที่ไหนพ อ, อขี้เกียจเดินพอแก่แล้วเอาลูกหลานฆ่าแก่แล้วให้สู้เจ้าหามไปที่ไหนออพอหามไปหามมาไม่ถึงเดือนสองสามเดือนนาะแต่ผังผืดมันติดทีไหนติดแข้งติดขาติดผังผืดเดินไม่ได้อีกผลให้สู่ก็เลยจะเดินเองก็เดินไม่ได้ทีนี้ต้องให้เขาหาม ถ้าไปยังก็ต้องคานไปท่นี่เพราะไปไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะผังผืดมันติดนงะเน่แหละอันนี้เราก็ต้องช่วยตนเองออกกําลังกายบ้างแต่ก็อย่าให้มันเกินไปเพราะเราแก่แล้วนะต้องรู้จักประมาณตนนะประคับประคลองไปอย่างงั้นแนหะจนถึงจุดจบของชีวิตแต่ถึงยังไงถึงพวกเราร่างกายของพวกเราจะเป็นยังไงแต่จิตใจของเรานณระนะสําคัญกว่าท่นี่ พระหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจคือตัวรู้สึกนึกคิดอยู่นี่แหละตัวนี่แหละตัวสำคัญในทางพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญตัวนี้มากกว่าเรื่องของร่างกายแต่เรื่องของร่างกายอีกสักวันหนึ่งมันก็จะต้องไปตามสภาพของมันเกิดแก่เจ็บตายในที่สดุดไม่มีคใครที่จะ หลบหลีกไปได้แต่คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมศีล ส, สมาธิปัญญาที่เราพวกเราบําเพ็ญอยู่เนี่ยมันจะเข้าสู่จิตใจเข้าสู่นา ม, มธรรมเพราะใจคิดจะก่อนมาค่อยทำเ อ, อเรารูค่อยมารักษาศีลไม่ใช่ลหรเราคิดจะก่อนจะค่อยมารักษาศีลมาไหว้พระสวดมนต์ในเมื่อเรามาไหว้พระสวดมนต์มารักษาศีล บุญกุศลอเนสง์ไหว้พระอเนสงสินอเนสง์สสงทานอเนสง์บำเพ็ญคุณงามความดีมันก็เข้าสู่จิตใจเพราะใจเราคิดซะก่อนเราค่อยมาวันนี้ถ้าเราไม่คิดซะก่อนมันจะมาได้อย่างไรอย่างคนตายมันมาไม่ได้หรือว่าไม่มีศรัทธาก็มาไม่ได้แต่มันมาได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเราคิดซะก่อนในเมื่อเราคิดแล้วก็มาประกอบคุณงามความดีพร้อมกันอย่างนี้นะแล้วก็มานั่งภาวนา ฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้บุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของพวกเราเมื่อพวกเรามีบุญมีกุศลเข้าสู่จิตใจของเราแล้วนะเราจะไปนักสถานที่ใดเราก็อบอุ่นเพราะว่าเราได้ประกอบคุณงามความดีเราไม่ได้ทำความช่วยชาเสียหายหกับใครๆไม่ทำให้ใครเดือดร้อนกับตัวของเรามีแต่ประกอบคุณงามความดีมีแต่สร้างบุญสร้างกุศล ใส่ตัวของพวกเราในเมื่อถึงข่าวจําเป็นข่าวสุดท้ายของเราเลยทีที่จะล้มหายตายจากไปจากโลกร่างกายทนไม่ไหวแล้วจะต้องแตกสลายละข่าวนี้ร่างกายแตกแน่ๆละข่าวนี้ใจของเราก็ออกจากร่างออกจากร่างกายของเราไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าไปอยู่สวรรค์ชั้นผมไปพักผ่อนซะก่อน เออเราเกิดมาในโลกนเหนื่อยวะ เ, ออเราไปพักอยู่บนสวรรค์ซะก่อนจ้ะ เ, เ, เมื่อมีโอกาสเราจึงค่อยลงมาเกิด อ, อ, อย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามีบุณหนักศักย์ใหญ่เอานู่นขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งภาษีอริยะเมตไตรลงมาตรัสมาอุบัติขึ้นในโลกออพวกเรายังค่อยลงมาเกิดในยุคสมัยนั้นพอมาเกิดแล้วก็ได้บำเพ็ญตนเป็นคนดี ในศาสนาของพระศรีอาน ร, ระรยะเมตรไตรบุญกุศลของเราก็พอกพูนพอเหตุไรพเพราะเราเลือกเลือกมาเกิดได้พอเหตุไรเพราะเรามีบุญเหมือนกับเราเลือก เ, อเลือกไปต่างประเทศอย่างนั้นล่ะเราจะไปประเทศไหนถ้าเรามีเงินจะไปอังกฤษอเมริกาไปขั้วโลกไหนไปได้ทางนะั้นพอเหตุไรเพราะเรามีเงินเลือกไปได้แต่ถ้าว่าคนไม่มีเงินเลือกไม่ได้นะ จะไปที่ไหนไปไม่ได้ไปจะอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะ เ, เพอเผยยังออกนอกประเทศไม่ได้อีกต่างหากเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินจะไปถ้าไปกับมันต้อจะทํำยังไงพอไปมันไปใช้เงินได้อันนี้ก็เหมือนกันไปสู่สวรรค์คือไปใช้บุญตัวเองไม่ได้ไปสร้างบุญนะไปสู่สวรรค์โดยมากไปใช้บุญเหมือนกับเราไปต่างประเทศโดยมากไปแต่ทำเงินในประเทศตัวเองแล้วก็เอาเงินไปใช้ไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกสนาน ไปหากําไรชีวิตนะฮะแต่บางคนหาทุกข์ให้กับชีวิตก็มีไม่น้อยเหมือนกันมีมากเหมือนกันพระนั้นคุ้ยพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ตั้ง อ, อกตั้งใจเกิดมาได้พบพบพระศาสนาได้พบประธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้ตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติถ้าตั้งจุตั้งตจิตใจรักษาศีลทําบุญทําทานสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรานะวันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากจยากจะให้พวกเรา ฟังเทศของหลวงพ่อหลวงพ่อเทศที่จะออกเนี่ยแหละจะออกงานอทอดกระถินที่จะถึงเนี่ยแผ่นที่48ดนะลำดับที่5้าหลวงพ่อฟังฟังดูแล้วก็เออเป็นการกล่าวย้ำเตือนอลูกศิษย์ลูกหาอย่าลืมตัว อ, อย่าลืมตัวอย่าไปดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ ให้สัมรวมกายวาจาให้สัมรวมใจของตนเองไว้ไม่ใช่ว่าหลวมปากแล้วก็พูดไปถากว่าพูดไปแล้วมันผิดนะเป็นบาปกรรมอกุศลทั้งที่เราสร้างบุญสร้างกุศลมาพอสมควรแล้วแต่ไปพูดไปคิดไปทําเข้าไปก็ทําให้บุญกุศลของเราตัดทอนลงไปเป็นบาปอากุศลขึ้นมาสู่จิตใจของพวกเราได้เพราะนั้นฟังฟังดูนะหลวงพ่อจะ กาวย้ำเตือนอย่างไรสำหรับพวกเราให้นั่งสมาธิฟัง เ, เมื่อนั่งสมาธิแล้วก็ให้นั่งต่อไปอีกนะแต่เทศยาวพอสมควรนะ เ, เทศกันนี้ประมาณ6กสิบวนาทีชั่วโมง ก, กว่านิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรละพวกเรามาปฏิบัติทมฟังไปเพื่อเป็นแนวความคิด เ, เทศกันให้เป็นเทศที่มากหลากหลายในแนวความคิดนะ มีทั้งเกี่ยวกับกาวย้ำเตือนพวกเราท่านทางหลายด้วยมีทั้งเปรียบเทียบด้วยมีทั้งสอนเรื่องสมาธิปฏิบัติตนเองด้วยผงหลวงพ่อไปเปิดที่กรุงเทพเมื่อคราวที่แล้วพอไปถึงก็เปิดอบางคนก็มาขอเหมือนกันนะโอ้หลวงพ่อเทศกันนี้ไม่เคยเห็นหลวงพ่อเทศดุเดือดถึงขนาดนี้เพรานะอะ บางทีหลวงพ่อไม่ดุไม่พูดดุเลือนะพูดนิ่มๆนะพูดเป็นนิ่มๆแต่เป็นแนวความคิดให้พวกเราได้คิดพ่อไม่ใช่ว่าจะพูดไม่ได้คิดได้อ่านมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่หลวงพ่อไม่ใช่ดุด่าว่ากาวนะหลวงพ่อเนี่ยมิตรอ้างเหตุผลให้พวกเราได้ฟังได้ฟังได้ศึกษาว่าเป็นอย่างนี้ดีไหม เป็นอย่างนั้นดีไหมเห็นมีเห็นด้วยไหมเป็นอย่างนั้นหเห็นด้วยไหมเพียงนี้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละหลวงพ่อมีแต่ชี้ประเด็นให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาฟังฟั ง, ฟงดูนะเอ็มพีสาของหลวงพ่อนะ่ยทุกแผ่นเลยโดยมากหลวงพ่อจะชี้ไปในทางนั้นละ่ะไม่ได้มีเผด็จการเหมือนกันเป็นประชาธิปไตยซิ ม, มากกว่าแต่บางครั้งอ้างเหตุผลไปแล้ว ล้อมรอบแล้วก็ชี้เหตุผลฟันเปี้ยงลงไปเลยบางทีก็ใช้แนวความคิดของตนเองเข้าไปเลยนี่ผิดนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะอย่าไปทำนะอย่างนี้นะแปลว่าร้ายแรงนะจุดนี้นะหลวงพ่อก็จะบอกให้ฟังเป็นจุดน ะ, ะเพราะเหตุไรเพราะพวกเรามาอยู่ด้วยกันเพื่อการศึกษาสิ่งไหนที่มันเป็นพิษเป็นภัยสิ่งไหนที่มันเป็นโทษ สิ่งไห้ที่มันเป็นคุณอะสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์สึงไหนจะเกิดโทษกับพวกเราหลวงพ่อในฐานะหลวงปู่หลวงตาที่พวกท่านทั้งหลายนะับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็จะต้องแนะนําบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายรู้อันนี้ผิดนะอันนี้ถูกนะอันนี้สิ่งควรไม่ควรนะหลวงพ่อจะบอกเพราะฉะนั้นเทศกันนี้ก็จะให้ครูบาเปิดให้ฟังนะถ้าตอนน่อไปนั่งสมาธิแล้วนะท่นี่เปิดฟังได้นะ